ถ้ามีภาวะตัวรู้เป็นที่ตั้งเป็นฐานไว้เราก็จะเห็นตัวหลงเองหลวงพ่อคำเขียนสุวรรณโน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 การเลี้ยงดูในครอบครัวมีความอบอุน่นหรือมีความบกพร่องหรือเป็นครอบครัวที่มีปัญหามันเริ่มต้นเก็บข้อมูลละมนุษย์เราเกิดมาก็เริ่มต้นเก็บข้อมูลตั้แต่วัยเด็กวัยทารกเก็บข้อมูลมาแล้วว่าครอบครัวเนี่ยให้ความอบอุ่นเพียงพอไหมหรือเกิดมาในครอบครัวที่มีปัญหาปัญหาการยาละาปัญหาที่ เกิดจากเศรษฐกิจไม่เพียงพอการเลี้ยงดูไม่ถูกต้องอันนี้ถืว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่ทําให้เด็กที่เกิดมาเนี่ยสั่งสมอะไรบางสิ่งบางอย่างเอาไว้ในจิตในใจอันนี้ความคิดเริ่มแตกต่างนะในสิ่งแวดล้อมก็ดีตั้งแต่เกิดเลยนะคะตั้งแต่เกิดเลยการเลี้ยงดูคนรอบตัวคนรอบข้างตัวเนี้ยสิ่งแวดล้อมอาจจะไม่เหมือนกันความคิดก็ต่างกันนะหรืออาจเกิดจากการศึกษาเล่าเรียน การศึกษาเราเรียนนี่ก็สําคัญนะเด็กที่เกิดมาแล้วถ้าไม่ได้เรียนหนังสือเนี่ยเขาก็จะมีความคิดแบบความคิดเห็นก็จะเป็นแบบแต่คนที่เข้าโรงเรียนในระบบต่างต่างตัง้ตงแต่ชั้นปน .1 ป .2 ป .3 ตั้งแต่อนุบาลเดี๋ยวนี้ก็มีก่อนอนุบาลเองนะเนี่ยเป็นการเริ่มต้นเรื่องการศึกษาแนละ้วแต่ไม่ผิดไม่ถูกน ะ, ค, ะคนที่ไม่เรียนหนังสือเนี่ยเขาก็ไม่ผิดคนที่เรียนหนังสือเขาก็ไม่ผิด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 เรื่องของเพศเรื่องของความเป็นชายเป็นหญิงผู้ชายกับผู้หญิงก็คิดได้เหมือนกันเหรอคะอาจารย์เหมือนกันผู้หญิงจะคิดไปแบบนึงผู้ชาย<ล>ะจะ ค, ะคิดน้อยแบบค่ะจะสรุปได้ยากมากจะสังเกตนะผู้ชายจะคิดแล้วสรุปเลยจะไม่คิดมากสรุปเลยคคนที่นอนไม่หลับนี่ไม่ใช่ผู้ชายนะผู้หญิงส่วนมากจะนอนไม่ค่อยหลับอ๋อผู้ชายเขานอนไม่หลับไม่เป็นกันหรือไงคะเออส่วนมากส่วนมากไปดูเถอดจิตแพทย์ะผู้ชายมักจะสรุปไว ไม่ใช่สรุปใบดีนะคะโอ้นี่ไม่ดีเลยชีวิตนี้แย่เลยสรุปใบปั๊บฆ่าตัวตายอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะคะสรุปใบแต่ผู้หญิงก็จะเก็บเอาไว้เนานจะมีความอดทนเรื่องกดข่มอารมณ์ได้ดีกว่าแล้วตกลงอันไหนดีกันละคะสรุปใบกับการกดข่มอารมณ์ได้ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์สรุปใบอาจจะสรุปว่าอ๋อมันเป็นเช่นนั้นเองปล่อยวางโอเคปล่อยวางมันซะแล้วสรุปใบแต่บางทีสภาพที่อาจจะยังคิดอย่างนั้นไม่ได้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 เราไม่คิดอย่างนั้นแล้วเรามองถึงอนาคตแหละมุ่งแต่อนาคตว่าจะทํำยังไงดีจะมีอย่างนั้นจะมีอย่างนี้มีความหวังวาดหวังไม่มากมายแล้วก็ตุ๊กตาไม่เล่นละวัยรุ่นก็อาจจะเล่นคอมพิวเตอร์เล่นอะไรที่โรดผลกว่าต่อยหนึ่งเสร็จว่าวัยรุ่นเนี่ยจะมีความสูุขสนานมีความเป็นตัวของตัวเองมากยิ่งขึ้นชอบอยู่คนเดียวชอบทิ่อะไรคนเดียวแล้วก็บางทีก็มีเพื่อนฝูงมากมายติดกลุ่มติดฝูงเนี่ยคือวัยรุ่นนี่แหละ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 คนที่มีอายุมากเนี่ยสกายดูดอินรีย์ต่างๆในจิตใจในร่างกายเนี่ยจะอ่อนลงโลภก็ไม่โลภมากโลภน้อยลงน้อยลงเรื่องการมราคะค่อยๆลดน้อยลงไปค่ะนะแต่เรื่องความหลงนี่มันไม่แน่อาจจะมากยิ่งขึ้นถ้าหากว่าไม่ได้ฝึกจิตฝึกใจเอาไว้เพราะฉะนั้นการต่างการของความคิดความเห็นเนี่ยมันอยู่ที่ไวเนี่ยการศึกษาก็ดีไวก็ดีสิ่งแวดล้อมก็ดีพวกเนี้ยประสบการณ์ชีวิตนี่แหละจะทําให้คนเนี่ยต่างความคิด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 แต่ว่าของเขานี่ไม่ใช่มังกลายเป็นว่าคนที่เคยผ่านประสบการณ์มาแล้วแล้วก็ได้ผ่านชีวิตมาหรือได้ไปสัมผัสโดยความจริงเนี่ยเขาก็จะคิดเห็นในแง่ของเขาแต่เราไม่เคยไปเราก็จะคิดเห็นอีกแบบอาจจะเห็นด้วยหรือปฏิเสธจาย์กําลังจะบอกว่า <c oughs> ประสบการณ์ชีวิตก็ทําให้คนเราเนี่ยมีความคิดเห็นต่างกันสําคัญมาก <c oughs> คนที่เคยเกลียดงูแล้วก็เกลียดงูคนละคนก็ไม่ชอบละงูแต่ คนนี้ประสบการณ์ช่าชองเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงงูแล้วก็จับงูแล้วก็โชว์การเล่นรีแรงต่างการจับงูเขาไม่กลัวงูแล้วงูคือเพื่อนของเข้าเป็นตัวแต่เราเนี่ ย, ยทำยังไงได้อย่างไงแล้วก็สงสัยแต่ไม่อยากหรอกเราลองไปเล่นงูกับเขาสิาาแล้วก็จะเข้าใจอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองเพราะเราไม่ได้สัมผัสเราก็โวนสรุปว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกสาคัญมากนะเรื่องประสบการณ์เนี่ยคเพราะฉะนั้น การที่ไปด่วนตัดสินใจว่าทําไมเขาไม่คิดเหมือนเราคิดยังไม่ถูกหรอกมันไม่ถูกต้องผู้ตุโอนก็เหมือนกันนะคะสมัยก่อนเนี่ยเคยได้อ่านท่านก็จะชอบไปพูดคุยกับพวกอัญญาดิลถีและอัญญาดีลีก็ชอบมาท่านแต่พวกอัญญาดิลถีเนี่ยก็จะมีความคิดอีกแบบหนึ่งการปฏิบัติธรรมเพื่อความบรรทุกต้องทาอย่างงี้นะผู้รองไม่ขัดแย้งนะไม่ขัดแยง้งไม่ตัดสิน ว, ว่าผิดแต่ก็ไม่ทําตามไม่ตัดสินแล้วก็ไม่บอกว่าผิดแต่พูดบอกว่าอ๋อ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 <ST AN CO> เราคิดเห็นไม่ตรงกันเรื่องไหนเรื่องธรรมะเราก็มาฟังธรรมะสนใจธรรมะพิจารณาตราตองแล้วเทสําคัญนะสำคัญที่สุด ก, ก็คือลองปฏิบัติ ด, ดูล <ST AN CO> องทําดูว่าอะไรตัวอะไรีเราจะเข้าใจในส่วนนี้ <ST AN CO> ต้องลองทําดู <ST AN CO> แต่สำคัญด้วยวต้องเปิดใจกว่ารับฟังเอาไว้อย่าเพิ่งวปฏิเส็จแล้วลองทําดูเรื่องของความคิดเห็นที่ต่างกันเนี่ยเราถือว่าเป็นแนวทางที่ดีนะการคิดเห็นอาจจะแตกต่างกัน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 เริ่มต้นด้วยกันไม่วิตกตามเขาเราแรงนะคะเพื่อนขเราัำคัญนะคะเรามีสติเรามีสติแล้วก็รับฟังเอาไว้หนึ่งไม่วิตกตามสองดั่งสติสามรับเข้าใจเขาเข้าใจว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็เป็นอย่างงี้แหละไม่มีอะไรที่จะไปทางเดียวก็ได้หรอกมันย่อมมีความแตกต่างกันเป็นธรรมดาเรามอกใหความเป็นธรรมดาซะเราก็จะไม่ทุกข์ไม่ต้องไม่เครียดแต่บางทีเวลาเรารับฟังมาสิ่เป็นอย่างเนี่ยการฟังก็ดีการเห็นก็ดีแล้วเปิดใจกว้าง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 สิ่งที่มากระทบพอใจก็ตามไม่พอใจก็ตามอันนี้แหละทุกครั้งที่รู้เนี่ยจิตเราจะเป็นกุศลอยู่เรื่อย เ, เลยาการรู้แต่ละครั้งเนี่ยเท่ากับเป็นการหลุดออกมาจากความคิดหรืออารมณ์ที่เราได้กระทบนั้นเนี่ยเป็นการที่มีสตินําเอาสติมาใช้กับที่ประจําวันในสิ่งที่เกิดขึ้นปลอดภัยมากเพราะเราไม่ได้ตัดสินอะไรอะการแสดงความคิดอะไรก็าตามเนี่ยก็แสดงไปเป็นกลางเธอเข้าใจอย่างนั้นหรือ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 เขาก็มีกระติกน้ํามีมีดมีกล่องยามวนบุรีนะแต่ลงมาใต้ถุนกินข้าวเสร็จแล้วเขาก็มวนบุหรีแล้วก็สบแล้วก็จับเอามีดเอากะติกน้ําเดินเข้าสวนไปไดาา้หญ้าทําความสะอาดในสวนและกลางวันก็กลับมากินข้าแล้วก็นอนตอนบ่ายทํอย่างนั้นอีกเราเคยมองว่ามันจะมีความสุขอะไรที่มันจืดชืดนะเนี่ยที่มันจืดชืดนะมันเซ็งนะ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 แล้วเข้าใจอย่างกั้นนะแต่เขาก็ว่าดีจริงๆจริงเขาวาชีวิตอย่างเราเนี่ยโอ้มันขําเคร่งเกินไปแต่เขาสบายๆใช่ไ่มใช่ไหมชีวิตบ้านนอกนี่มีแต่ความผ่อนคลายสบายๆเราต่างหาที่เป็นที่ยึดมั่นถือมันน่นในศีลุที่นี้แต่เรามีสติสักหน่อยจะรู้ว่าอ๋อไอ้พวกเนี้ยมันยึดมั่นถึงมั่นไม่ได้หรอกรู้จักปล่อยวางมันซะยึดทีไรล้วก็ทุกทุกทียึดทีไร ท, ทุกทุกทียึดกายก็ทุกข์เพราะกายยึดความคิดก็ทุกข์เพราะความคิด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 มีแต่ความตายเราเห็นตอนนั้นเองอันเนี้ยเป็นกระบวนการองการมีสติทั้งนั้นเลย